นั่นแะหะเขามาหาหลวงพ่อมาบ่อยทั้งคุณแม่ทั้งคุ ณ, ท, คณทั้งคุณพ่อนเสียไปแล้วยังเหลือแต่คุณแม่อันนี้มาเห็นนามสกุลแต่ส่วนอาวนามสกุลของเจ๋งในวา <c oughs> แต่ถึงยังไงถึงคุณพ่ออายุมากแต่ลูกหลานทุกคน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 ไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีไปได้เรื่องมรณะภัยคํานี้น ะ, ะนั่นแนวทางของพุทธศาสนาท่านจึงจะทํำยังไงมีแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทนะที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านบอกกล่าวแนะนําอาต่อเนี้ไปาอาตมาแล้วหลวงพ่อจะได้กล่าว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 ที่หลวงพ่อเป็นสำ ม, มนเนนน้อยอยู่กับท่านเมื่อตั้งตั้งแต่อายุ11 12อปีจนได้บวชเป็นพระเป็นเวลาถึง9าปีอยู่กับองค์ท่านจากนั้นก็ได้มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวเมื่อพรรษาที่สอ่มาเอาพรรษาที่หที่วัดป่าบ้านตาดจน25นอยยี่สเป็นเวลา14ีปีอยู่กับองค์หลวงตานี่แหละ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 พอได้เวลาสนมกํานันแม่เลี้ยงนางนมก็เข้ามาพ่อมาเข้ามาแล้วก็พระองค์ก็ออกจากสมาธิตั้งแต่วันนั Music, foremost, ้นมาพระองค์ก็ไม่เคยไม่เคยนั่งสมาธิอีกเลยแต่ทําไมพระองค์จึงทําได้สมัยเป็นกุมารเป็นเด็กก็พ่อะว่าอุปนิสัยเก่าแก่ของพระองค์สมัยพระองค์ชาติพบชาติก่อนนั่นพระองค์ก็ได้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 ออพอถึงที่จวนสว่างเราอาส า, าอาสาวาคยญาญญาญอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้อตมาภาพในพูดให้ฟังนี่นคือคือเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับพุทธะทีะมมนน่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพจนั้น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 เขาไม่รู้ว่าความตายนั่นคืออะไรอีตางหาเขาคงจะเป็นได้ลูกคนคนคนค น, นี้เป็นคนแรกของลูกของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเขาจึงทําอย่างนี้แต่ น, นี้บมรุษคนนั้นเป็นผู้ฉลาดเป็นทายกของวัดป่าเชตวันแต่ก็บอกออว่ายอมยิ้มยายนางเออเรารู้แต่เราไม่รู้ยานะแต่ให้ไปไปถามพระพุทธเจ้าดูนะ ท่านอยู่ที่วัดป่าเชตวันให้ไปถามดูว่ายายาที่จะรักษาลูกของเจ้าเนี่ยหายได้เออถ้าว่าท่านให้นะให้ไปถามถามท่านดูท่านจะต้องมียาเอเอเขาคงอยากจะให้อยากจะได้ไปรักษาอยู่แล้วอยากจะให้ลูกหายอยู่แล้วเนี่ยเพราะลูกเออลูกไม่กระดุกกระดิกเนี่ยเขาก็ปีเข้าไปเลยอุ้มเข้าไปไ ป, ไปลูกไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอืม เออเขาแนะนํามาเนี่ยเราจะสอนเขาอย่างไรตอนี้ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าข่าเนี่ยลูกของหนูเนี่ยเออไม่กระดุกกระดิกเลยอยู่อยู่อย่างนี้จะมียาไหมหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ว่ามีไปเถอะนะนางให้ไปเอาเม็ดพันผักกาดเอ่อหยิบมือหนึ่งไม่ต้องมากหรอกหยิบมือหนึ่งแต่ว่าเมื่อไปถามบ้านหลังใดก็ตามให้ถามว่า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 ข้าพระ อ, องค์หนูเนี่ยไปหาเม็ดพันธ์ประกาศไม่ได้พระเจ้าค่ะพ่อไปถามใครเขาว่าคนตายมากกว่ามากกว่าคนอยู่ที่ตระกูลของเขามีปู่ย่าตายายญาติมิตรสายที่วงศาคณาญาติของเขาไม่มีที่ที่บอกเม็ดพันธ์ประกาศในบ้านคนที่ไม่ตายพระเจ้าค่าเพราะพระ อ, องค์บอกว่า น, นาง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 ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงถิก็ต้องมาต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์แต่นี้พอพระพองค์ฉันพระทาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์พระพุทธองค์กเ็เป็นเป็นองค์แสดงธรรมพอพรามเข้ามาใกล้เนเจ้าของร้านผู้เป็นพ่อเน่ยเข้ามากับลูกๆนั่งพร้อมๆกันพระพองค์บอกว่าดูก่อนพรามดูก่อนทายกกนดูก่อนโยม ท่านจะได้เดินทางไกลนะท่านจะต้องเดินทางไกลแต่ท่านได้เตรียมเสบียงไว้หลือย่างแล้วก็ท่านได้เตรียมสถานที่พ <qui> ักไว้หลือย่างอุปกรณ์ในการเดินทางท่านได้เตรียมไว้หลือย่างท่านได้เดินท่านจะเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแลเพราะนั้นท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถ้าว่าท่านไม่ได้เตรียมไว้นะท่านทุกนะลาบากนะ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 ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอค่อยสมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธอญ